ข nah uh so so so ้อความไม่ตาจากพระอรหันต์ความสันติแล้วก็ การให้ได้ยะจากหัวล็อกก็มีกับพวกเราทุกคนนะครับผมดังที่ท่านบีมัสสรอลิามได้พูดไว้นะครับว่าถ้าเปรียบเทียบชั้นกับบรรดาศาสนทูตคนก่อนๆหน้าชั้นถึงงานที่พวกเราทํากันก็เหมือนกับกลุ่มคนที่ว่าช่วยกันก่อสร้างพระราชวังที่สวยงามเหมือนกับกลุ่มคนที่ว่ามาช่วยกันก่อสร้างพระราชวังที่สวยงามก็คือท่านบีมัสสรสลามกําลังเปรียบเทียบภารกิจของบรรดาศาสนทูต ซึ่งน บ, บีแต่ละท่านที่มาสร้างพระราชวังเนี่ยก็สร้างอย่างสวยสดงดงามแต่ว่ามีอยู่ประมาณช่องหนึ่งที่ว่าทำไม่เสร็จช่องหนึ่งที่ว่าทำไม่เสร็จซึ่งเวลาผู้คนมาดูพระราชวังนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ทาให้เสร็จด้วยมันก็คงจะงดงามเกินบรรยาย เ, เสียดายที่ว่าถ้าตรงนี้เสร็จก็คงจะงดงามเกินบรรยายซึ่งท่านน บ, บีอัลสลามก็บอกว่าแล้วฉันคืออีกก้อนสุดท้ายก้อนนั้น ฉัน้คืออีกกอนสุดท้ายก่อนนั้นก็คือเป็นศาสนาทูตคนสุดท้ายที่มาปิดฉากภารกิจของบรรดาศาสนาทูตทุกท่านที่มีมานับตั้งแต่ที่พวกเราสร้างโลกนับตั้งแต่ที่พวกเราให้บรรดามนุษย์ได้มาอยู่บนโลกใบนี้ภารกิจของบรรดานับเบียก็คือส่งไม้ส่งต่อการเป็นบ่าวที่ให้เอาวรักอย่างแท้จริงวิธีที่ทำตัวให้เป็นบ่วให้วรรคซึ่ง คู่มือในการทําตนให้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักก็คือคัมภีร์ต่างๆของพระองค์อย่างที่พวกเราทราบก็คือนบีตแต่ละท่านก็จะได้รับคมภี์มาแตกต่างกันอย่างนบีดาวุฒก็ได้เป็นคมพีซาบุตอ่านบีอีซาก็ได้เป็นคัมภีร์อินยิลนบีมูซาก็ได้เป็นคมภี์เตอร์แล้วก็นบีอิบรอฮิมก็ได้เป็นซูฮฟุฟซูฟีอิบราฮิมและมูซาแล้วก็นบีอีกหลายๆท่านก็มีคมภี์ที่ลลอัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่าทนั้นที่ทราบว่ามีคมภีร์อะไรบ้างที่พระงประทานมาพระงย่อมรู้ดีว่าพระองค์ประทานอะไรมาบ้าง และแน่นอนครับที่พวกอละก่าวไว้เป็นการยกย่องพวกเราทุกคนเอาละยกย่องพวกเรานะเอาละให้เกียรติพวกเรานะโดยพวกอละว่าพวกเราได้ปิดฉากภารกิจของศาสนาทูตทั้งหลายโดยการที่ส่งศาสนทูตที่ประเสริฐที่สุดในหน้าบริษัทของมุสเซยชาติด้วยกับศาสนาิสลามที่สมบูรณ์ที่สุดที่ว่าใช้ได้ทุกยุกรุกสมัยเพราะว่าศาสนา i ส l a m ในยุคก่นกอนอ น, นั้นใช้ได้แค่แต่ละยุคแต่ละสมัย อย่างที่เกิดศาสนาอิสลามในกลุ่มชนของเลบีมูซาก็ใช้แค่ในกลุ่มชนของเลบีมูซาก็คือไม่ได้ไปไกลกว่านั้นแต่อิสลามของพวกเราในตอนนี้ครับเป็นศาสนาที่ว่าใช้ได้ทุกประเทศทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกยุคทุกสมัยทุกเวลาคือคําสอนของลอร์เราจะพบว่าไม่มีคําสอนใดที่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงเลยกฎหมายของลอร์นั้นชัดเจนซึ่งพวกลอร์ก็ได้วางกฎหมายไว้เป็นสองประเภทที่เรียกว่าชริอานะครับกฎหมายที่ว่าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตลอดการ กับกฎหมายที่ว่าขึ้นอยู่กับยุคสมัยซึ่งพระลอเปิดทางไว้ให้แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศแต่ละเมืองจะปกครองจะตัดสินกันอย่างไรนั่นคือศาสนาที่ดีเลิศที่สุดคืออิสกามที่ดีที่สุดท่าที่มีมาอยู่ในยุคของเราผ่านท่านอบีที่ดีที่สุดผ่านศาสนทูตที่เราเรียกว่าเทวทูตท่านมาอะไรแกเราเรียกเป็นรอซูนเหมือนกันฮวนกุสซาร์มุตรอเลกาตูเพอาะพระลอปก็เรียกในกุรานว่ารอซูลินอามีนที่เรียกเซนชิบลีน ก็คือผ่านเทวทูตพระคุณสามครับผมที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ด้วยกับคมภีร์คําสอนที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือคมภีร์ที่พวกเรากําลังพยายามศึกษากันอยู่แล้วในค่ำคืนนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาโดยกับส ah ุร ah ่าอัลกัดดัลสุร่าอัลกัดดซึ่งเป็นสุร่าที่พูดได้เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างของความสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่พระองค์ละให้กับเรามา ตอนนี้หน้าที่ของพวกเราก็คือเรามีสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเราจะใช้มันได้ประโยชน์แค่ไหนเหมือนกับคนที่ว่ามีรถที่แบบว่าโมเดลรุ่นล่าสุดแล้วมีแรงม้าที่ว่าสูงที่สุดแล้วขับได้ง่ายที่สุดแล้วทุกอย่างดีเลิศหมดทุกอย่างเลยถ้ามันจะแย่ตอนนี้ก็อยู่ที่คนขับซึ่งพวกเราก็คือคนที่ขับเคลื่อนสัตย์สายลามในยุคนี้ หากว่าจะมีสิ่งบกพร่องมันอยู่ที่ตัวพวกเราครับตอนนี้เราก็ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันในสุรอัลกดาร์ซึ่งเป็นสุรที่97เราก็มารับฟังกันก่อนนะครับผมเชิญครับจจจเจียวันกผจาครับบอมอิ้ง ب ิ سم الله الرحمن الرحيم إننا أزلناه في ليلة القدر أزلناه في วَ م ا ละว่ามาอัตร ل คมาเล ل ่ยُตุลขั้นร์ ل ลี่ยนตุลขั ق นร์เลี่ยนต خير ุ่มในอั ت ่าน زل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر <آ ه. S 1> تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر <آ ه. S 1> سلام هي حتى ما طلع الفجر ขอพระลออให้กุรอานนั้นเป็นทางนําให้กับเราแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราอย่าให้เราอ่านในสภาพของผู้ท yeah ี่ขาดทุนครับในสุระอก็จะมีความหมายที่ว่าบางท่านอาจจะรู้สึกคุ้นเคยดีในช่วงของเดือนอมาดอน เพียงแต่ว่าความหมายของส ah ุลาะแล้วก็ดนั้นเป็นคำสั่งสอนเป็นคำตักเตือนมีสาระที่ว่ามุสลิมเราใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ตื่นจนเสียชีวิตไม่ใช่ตื่นจนนอนนะครับตื่นจนเสียชีวิตเลยมีอะไรบ้างครับที่พวกเราได้พูดให้กับพวกเราฟังในสุราะนี้ครับเรามาแปลกันก่อนแล้วค่อยดูความหมายในยะอินชาอัลละครับผมสุลาะอัลกัดดพวกเราได้ทรงกล่าวาไว้ ส่นร้อนนี้มีทั้งหมด5อายะเท่านั้นมีทั้งหมดหอายะส่งนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าตรงกับจำนวนละหมาดเลยเรามีละหมาดวันละห้าเวลาครับอายะแรกครับพระองค์รัว่าอินน์อันซัลนาหูฟีเลลัติลกัดรแน่นอนเราได้ประทานคำผีอัลกุรอานในคืนไลลัตุลกัดเดรเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมหูถึงแปลว่ากุรอานเดี๋ยวค่ยบอกทีหลังนะครับผม คือถ้าแปลตรงตัวมันจะแปลว่าแน่นอนเราได้ประทานสิ่งนี้มาในค่ําคืนแห่งกรดับวะมาอดร์กามาเลละตุลกัดดแล้วอะไรแหละที่ทําให้เจ้ารู้ว่าค่ําคืนอัลกัดดน่ะคืออะไรเพราะว่าสันี้เป็นศัพท์ที่ว่าพระองค์แล้วพร่งมาบอกให้ท่านเราศึกนี้รู้เกี่ยวกับลายละตุลกัดดะเลยละตุลกัดริไคลุมิลอัลฟิชฮะในคืนลละตุลกัดเนี่ยผมขอทับสับไปก่อนเดี๋ยวใครดูพูดเรื่องความหมายกรได้ทีหลัง เลลตุนก็ศนั้นดีงามยิ่งกว่า 1,000 พันเดือนลยลตุนกดีงามยิ่งยิ่งกว่า1000เดือนยิ่งกว่านะไม่ใช่เทียบเท่านะครับบางท่านจะบอกว่าตีว่า83ปีไม่ใช่มากกว่านั้นมากกว่านั้นตนสซาลุลมาลาอิกทวรูฮุฟีฮาบิยนรับบิฮิมมิงุลลิอัมรินสเลมสเลมุนฮียะตตามัตตลล์ฟะจัตในอายะที่สครับพวกเราได้ทรงกล่าวต่อมาว่าบรรดามาไลกะนั้น มาลาอิกะเป็นพรผู้โพธนะครับคาว่ามาลาอิก้าเป็นพรผู้จน์เอกพจน์คือมาลักอินทว่าอิลมาลคุนการิมที่ว่าผู้หญิงบรดาสาวสาพูดถึงระเบีซสูเรียกเป็นมาลักบานเราอาจจะเข้าใจว่ามาลาอิกะเป็นเอกพจ์จริงๆคำว่ามาลาอิก้าเป็นพรผู้โพธแต่เนื้อเซลทยอยกันลงมาทยอยกันลงมาคือไม่ใช่ว่าลงมาทีเดียวหมดบรรดามาลาอิกะต่างทยอยกันลงมาว่ารู้เช่นเดียวกับอรู้ รู้วถ้าแปลตรงตัวแปลว่าวิญญาณซึ่งนะักปรรดาที่บายกุรานเห็นพ้องต้องกันว่าหมายถึงท่านชิบะลีนหมายถึงท่านชิบะลีนทำไมาถึงเรียกว่ารู้เดี๋ยวค่อยว่ากันบรรดาเมาัยกะและท่านชิบะลีนต่างพากันลงมาในค่ำคืนนี้แปลว่าลงมาทั้งคืนเลยลงมาทั้งคืนบีอิสนียรับบีหิมด้วยกับการอนุญาตของพระผู้อภิบาลของพวกเขาผู้อุบาลของเขาได้พิญาตให้ลงมา มินกุลิอัมลินเพื่อมาทำกิจการงานทุกอย่างซาเลมุนความสันตินั้นจะเกิดขึ้นเฮียในค่าคืนนี้ฮัตตามัตอาอินฟัตจนกระทั่งยามรุ่งสางจนกระทั่งยามรุ่งสางก็แปลว่าในค่าคืนนี้มีความสันติจนกระทั่งเมื่อถึงตอนเช้าครับเรามาดูประเด็นทีละส่วนทีละส่วนถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือว่าตรงไหนที่ไม่เคลียร์ก็ขอทักได้นะครับถามได้ ประการแรกครับพูดถึงคําว่าอัลกัดดพระองคเราได้บอกว่าอินน์อนจัลนาฮุฟีเลยเติลกัดดเราได้ประทานสิ่งนี้มาในค่ําคืนอัลกัดถ้าเรียงทีละคําหูเราได้ประทานสิ่งนี้ลงมาสิ่งนี้ลงมาเมื่อกี้ผมบอกว่าสิ่งนี้ในที่นี้คือกุรานทำไมเราใช้การหรือแปลว่ากุรานประกาศแรกครับเชคหนุกรรัสีอะไรพระอ์ได้บอกว่า ขําคืนที่ประทานกุร่านลงมาเนี่ยที่เรียกว่าไรนะตุลกอเดตเนี่ยพวกเราเรียกอีกอย่างว่าเป็นขําคืนที่มีบรารรกัสอินเนอันเซนาฮูฟีไรและติมมมบาร์โรแกตินเป็นขําคืนที่ว่ามีความจําเริญเป็นข้ามคืนที่มีความจําเริญอันนี้ในสรดุลขอแรที่3เนาะซึ่งถ้าเรามาดูครับในสุระบักราะวกเราบอกไงครับชั่วรอมฎอนและดีอุนซิลฟีฮิลกุร่านในเดอรมฎอนนั้นคมพีกุร่าได้ถูกประทานลงมา เพราะนั้นก็รวมกันก็คือนักอธิบายกุรานเห็นพ้องต้องกันว่าฮูในที่นี้ในกุรานเนี่ยหมายถึงพวกเราได้ประทานคำภีอารกุรานมาในยามค่ําคืนนี้ทีนี้การประทานกุรานมาในยามค่ําคืนนี้แปลว่าอะไรพวกเราประทานจากไหนมาให้ใครหรือว่าอะไรยังไงอิบเนออับบาสดุริยาลวานฮูซึ่งเป็นสหายที่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งและในเรื่องของการอธิาบายกุรานในเรื่องการอธิาบายกุรานถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้ว ท่านได้อธิบายไว้ว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาสองรูปแบบอัลกุรอานถูกประทานลงมาสองรูปแบบคือแรกเริ่มเนี่ยผเอาละได้ให้มีอัลกุรอานอยู่เรียบร้อยจนครบเล่มแล้วข้อความทั้งหมดตั้งแต่ฟาติฮะจนถึงอันนาะสทั้งหมดมีแล้วอยู่ในลาฮิลมาฟูส์ลาฮิลมาฟูสลาฮิลมาฟูสคืออะไรครับเป็นสิ่งที่พู้เอาละให้ บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในดุนยาจนถึงวันสิ้นโลกเพราะตอนที่พอลสร้างลอินมาฟูสพอลสร้างปากกาแล้วพงวอลล์ก็ได้บอกกับปา ก, ปากกาว่าจงเขียนปากกาก็ถามว่ายาวล้อใช้ข้าเขียนอะไรพอลล์ก็บอกว่าผู้ทรงสูงสุดได้บอกว่าจงเขียนอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นโลกแล้วปากกาก็ได้เขียนทั้งหมดไม่มีอะไรที่ว่ารอดออกไปจาก การเขียนของปากกาทุกเหตุการณ์แม้แต่ใบไม้สักใบที่ร่วงแม้แต่รากต้นไม้สักมเมล็ดที่ว่ามีการแตกหน่อออกมาทั้งหมดอยู่ในิลมาฟูสหมดเลยเพราะนั้นข้อมูลมหาศาลนะครับเป็นสุดยอดเด t a ความนิ่งใหญ่ของโฟลราซึ่งในนั้นก็มีคัมภีร์กุรานอยู่ด้วยทีนี้ครับโฟล้อได้สั่งใช้ให้ท่านชิวบรีนเน้นนำจากเลนมาฟูสกุรานทั้งเล่มเลย ลงมาที่ฟากฟ้าดุนยาก็คือฟากฟ้าชั้นที่หนลงมาที่ไหนครับไบตุลอิซะไบตุลอิซะอย่างที่พวกเราทราบก็คือบนโลกนะครับมีบ้านของพอู้อลาอ์บ้านของผู้อลาไม่ใช่บ้านที่อาลาอ์อยู่นะเข้าใจตรงกันนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่ว่าบ่าวที่จงรักพักดีต่อลอลาอ์จะไปทําการเขารักพักดีต่อลอลาอ์ในบ้านหลังนั้นที่เรารู้มสศีดบ้านของอลาอ์บนดินก็คือกาบา กับมัสสิดนบวีกับอีกหลายๆที่ทั้งหมดมัสสิดทุกอย่างเป็นบ้านของเราหมดแต่หลังแรกคือกาบาซึ่งมุสลิมเราเชื่อมั่นว่าอยู่จุดศูนย์กลางของโลกกาบานะครับอยู่จุดศูนย์กลางของโลกแล้วพวกเราก็ศรัทธากันดีว่าเมื่อพวกเราสร้างแผ่นดินพวกเราก็สร้างฝากฝามีทั้งหมดเจดชั้นแต่และชั้นมีมลายกาอยู่แล้วแต่และชั้นก็มีบ้านของพวกเราอยู่ในแต่และชั้นแต่และชั้นแต่และชั้น บ้านของพลเรือที่อยู่ในชัฟากฟ้าชั้นที่เจ็ชื่ออะไรครับเบตุลมะมูรที่พลเรือกล่าวในกรรันเบตุนมะมูรคือมัสยิดถ้าไปง่าเรียกว่าเป็นมัสยิดแล้วกันมัสยิดที่ว่ามาเลกาจะเข้าไปทุกวันวันละเจ็ดหมื่นท่านโดยที่เข้าไปไม่ส้ำหน้ากันเลยคือตั้งแต่วันที่สร้างโลกจนถึงวันสิ้นโลกเลยแสดงเห็นว่าจำนวนมาเลกามากมายมหาศาลเลยเข้าทุกวัน7จ็ดหมื่นแล้วก็ทุกฟากฟ้าจะมีหมดเลยแล้วฟากฟ้าชั้นแรกนะครับ ที่ในฮะดิษเรียกเป็นสมาร์ทดุลยาฟากฟ้าของดุลยาฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งเนี่ยบ้านของพวลเราที่อยู่ในเรียกว่าใบตุลอิสซาซึ่งเป็นสถานที่ที่ว่าพวกเราให้ท่านชิวีนเอาคัมภีร์กุฎานทั้งหมดมาไว้ตรงนี้ในวันไหนครับนักวิชาการว่ากันว่าน่าจะเป็นวันที่17เดือนรอมฎอนสิเดือนรอมฎอนพอพวกเราได้ออกว่าโยมตัตะก้อนจำอ่านเราได้ประทานคัมภีร์กุฎานมานั้นในวันที่กองทัพทั้งสองได้เผชิญหน้ากัน กอทัพทั้งสองก็คือหมายถึงสงคามบาดัดซึ่งสงครามบาดัตไม่มีคีร่าว่าเกิดขึ้นในวันที่17เดือนรอมาดอนคือมุสินสดดก็คือสลดแกนพูด ง, ง่ายถึงประเด็นตรงนี้ก็เราก็จะได้ข้อมูลเสริมนะครับว่าแราตุ้นกอตครั้งแรกเกิดขึ้นวันที่17ไม่ใช่27ครั้งแรกเกิดขึ้ที่สิแน่นอนก็มีคีรา่ามีคีร่าเพราะว่าอีขัดิสบท น, นึงซึ่งนักวิชาการบางส่วนพูดกันแต่เป็นขัดิสตออีฟ ซึ่งรัชาการบอกว่าในเดือนละมาดอนเนี่ยพวกราประทานคัมภีร์ทุกเล่มมาในเดือนนี้หมดเลยเดือนระมาดอนหมดเลยคือจะเป็นตารอสของนาบีมูซาก็ประทานมาช่วงต้นเดือนจะเป็นซาบูตจะเป็นอินยินก็ช่วงไปลายเดือนจะอะไรคือแต่ทีต่ตรวจสอบสายรายงานแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือผมก็เลยจะไม่มาพูดตรงนี้แต่ที่ว่ากุรานถูกประทานมาในวันที่17นี่ค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือสูงละแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะพูดว่าวล่อหุ้อ้ายลำวุ่นหล่ออ้ายลม การประทานมาทีเดียวเนี่ยครับใช้คาว่าอันซาลาอินนอันลนาฮูฟิเลยละติลกอันซาลาภาษาหลับหมายถึงว่าเอาลงมาทั้งหมดเลยเอาลงมาทั้งหมดหลังจากนั้นครับพวกอลอจะใช้คาว่านซาลาตันซีลุนก็คือเมื่อกุลาลงมาทั้งเล่มปุ๊บหลังจากนั้นพวกอลอสก็ทยอยให้ท่านจิบลินเอาลงมาให้ท่านนบีมูฮัร ล, ลอสริสลามทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วน ถามว่าทําไมพวกลอตถึงไม่ลงมาทีเดียวตุ้มเล่มหนึ่งให้ท่านนบีเลยครับพวกเราเคิดว่ามีฮิกมาอะไรบ้างทําไมพวกลอตไม่ประทานคำพิกลานมาทีเดียวมาให้ท่านนบีเลยแบบเนี้ยเอาไปเล่มหนึ่งเล่มปึง้งจบจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมามีการรวบรวมไม่ต้องมามีอะไรมีฮิกมาอะไรบ้างครับการที่พวกลอตประทานมาทีละสว่วนทีละสว่วนพอเรากล่าวในกุรลาบว่ามาช a l ล a h มาช a l l a ลิลลาฮิละห์บิทาบิฮิฟาด เพื่อที่จะได้ให้หัวใจของเจ้านะ่ยมีความมั่นคงเพราะเหมือนกับว่าชีวิตมนุษย์นะครับอิหมานของเรามีขึ้นมีลงเวลาที่เรารู้สึกดาวมากๆแล้วมีคนมายกอายะกรุณาที่มันตรงประเด็นที่เราโดนพอดีเรารู้สึกไงครับอาลามดยนิรารู้สึกว่าโอ้เออลลให้มีดายาะ้าให้ทางออกทั้งๆที่กุฎานก็มีมานานแล้วแต่พอมีคนมาอ่านอายะนั้นเนี่ยตอนนั้นในช่วงที่ถูกกับเวลาถูกกับจงังหวะเราจะรู้สึกวิมานเพิ่มเช่นเดียวกันครับขันทันบีวสระซัมในช่วงเหตุการณ์ต่างๆ มีทั้งเหตุการณ์ที่ท่านมีความสุขมีทั้งเหตุการณ์ที่ท่านมีความทุกข์มีทั้งเหตุการณ์ที ah> ่ท่านถูกทดสอบมีทั้งเหตุการณ์ที่ว่าท่านต้องการคําตอบเมื่อมาส่งมาทยอยมาเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนก็เพิ่มความหนักแน่นเพิ่ม إ ي م านเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทั้งท่านอับดุลเลอะห์สละมราะกบัดดะสาฮาบะเพราะเรื่องความสงสัยเ่ยครับเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อย่างนบีหลายๆท่านท่านก็มีความสงสัยบางอย่างซึ่งท่านอบีพอมีความสงสัยพวกก็ถามพรวกเราก็ตรงพวกเราก็เฉ แต่พวกเราบางทีข้าสงสัยเราคือพวกเราไม่ได้เฉลยให้เราตรงตร ง, ตรงผ่านวหฮีแต่บางครั้งหลายๆครั้งพวกเราจะผ่านผู้รู้พวกเราก็เลยบอกว่าจงถามผู้รู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้เพราะว่าทุกอย่างมีคำตอบแน่นอนเพียงแต่หาให้ถูกคนอย่าไปหาผิดคนแล้วไปแ่าเขานะครับจำได้ใช่ไหมครับเรื่องราวคนวอ่าเกสเก้าศพอ่าแล้วก็ การสบเก้าคนไปฆ่าคนมาแล้วก็อยากจะเตาบ้ารู้สึกผิดเหลือเกินฉันฆ่าคนมาตั้งการสิบเก้าคนนะเราจะให้อภัยไหมไปถามคนที่ไม่ได้มีความรู้เป็นคนทํามอมันอย่างเดียวเนี่ยฉันฆ่ามาฆ่าสิบเก้าคนมีโอกาสไหมเขาบอกว่าช่วยอย่างแกลงนรกอย่างเดียวะนั้น่องอะบอกก็ขอให้ครบร้อยเลยแล้วกันนะเก็บแต้มเก็บสกอร์ได้ครบร้อยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ระวังครับผมต้องเลาเรื่องนี้ให้จบไป ห, หลือไม่เป็นไรฟังกันบ่อยแล้วนะคิดว่ามิชาแ ล, ล้วครับเราไปกันต่ออ๋นครับ อ่าฮัมดูลิลละครับฟังเบี่ยบียงกับม่วนดีโอเคงั้นงั้นกูต่อสักหน่อยแล้กันอ่าครั บ, บ, ใ บ, ใบก็บหดดเหตุ ก, ก, ก, การณ์หลังจากที่ว่าใช้คนนั้นค่าอาบิสไปแล้วครบหนึ่งร้อยคบแต้มพอดีเขาก็ยังรู้สึกผิดอีกอกนี้แสดงให้เห็นว่าในพระนามของอัลลอฮ์ครับทั้งอัมีคนใ น, นลักษณะสอชื่อใช่ไหมอัลกอฟูตกับอัลกอฟฟาสอัลกอฟุตอัลกอฟฟาสต่างยังไ ง, ไงใครรู้บ้างครับลูกศิษย์อาจารย์ซัดอย่าให้อาจารย์ซัดต้องเสียชื่อ แอลกอฟูกับแอลกอฮฟาตต่างกันยังไงทั้งคู่แปลว่ากก่อภัรโทษอ้าฮัฟิตแอลกอฟูกับแอลกอฮฟาตในกุฎานนันไหนมีเยอะกว่ากันฟูดมีเยอะกว่าฟาสตมีประมาณเจที่เก้าที่ร้อล้านประมาณนั้นแต่ฟูดนี่คือหลักสิบเนาะเยอะ a l ลกอฟูหมายถึงผู้ที่ให้อภัยโทษในบาปไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามคือบาปหนักแค่ไหนก็ตามคือมนุษย์เราบางคนนะครับเรายโทษบาปเล็กไ้หมดแหละใครจะทาผิดแค่ไหนล้วยกให้ได้แต่ถ้าเป็นบาปใหญ่ เชเป็นคนจำจำนวนนตายคือถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆบางทีเรายกให้ไม่ได้แต่พวกเราท่านพงเป็นอั g o r i t h คือใหญ่แค่ไหนพรวกเราเลิก็ยกโทษให้ได้ส่วน a l g o r ฟ t h m คือจะเยอะแค่ไหนก็ยกให้ได้นี่คือข้อแตกต่างอ l g o r i t h m food กับ algorithm fast a l g o คือใหญ่แค่ไหนเราคิดว่ามันไม่น่าจะถูกแค่ภัยโทษได้เพราะมันใหญ่ใหญ่เหลือกเกินในเรคุณพ่อแม่อย่างเงี้ยทำชีวิตอย่างเงี้ยถ้าขอเตบาบาสพวกเรายกโทษไหมยกโทษเรียกว่า อัลกอฟูรส่วนทําแล้วทำอีกบ้างคนบอกฉันทําเรื่องเดียวเนวี่ยย้อนฉันขอไปโทษมาร้อยกว่าครั้งแล้วขอบ่อยแล้วเกินอัลลอฮ์ให้ไหมให้ครับอัลกออฟฟอัลกอฟฟัสนี่คือคำตอบของอัลกออฟฟัสเน้นชายคนนั้นก็ผลสุดท้ายก็ไปหาผู้รู้คราวนี้ไปถามถูกคนแล้วอย่างที่ผมย้านะครับราาวลากรากล่าวเกราดมีปัญหาให้ถามผู้รู้อัลลอฮ์จีคนที่ได้จะมีคําตอบให้เราได้ เขาก็ไปเจอผู้รู Nada ้ไปถามว่าใครรู no, ้ที behavior, Park, ่สุดในผืนแผ่นดินนี้ก็ไปเจอผู oh, s <S mm. ้รู huh. ้ก็บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินความชั่วร้ายคุณต้องเปลี่ยนที่นะเพราะคนเราอ่ะถ้าเกิดคนที่ทําชั่วบางอย่างลึกกับความเคยชินถ้าอยู่ในพื้นที่เดิมเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันต้องเปลี่ยนที่เขาก็เลยบอกว่าไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคนนั้นก็ครั้งนี้แหละฉันจะกลับเนื้อกลับตัวละคนนั้นก็รอดไปไม่ใช่คนที่หนึ่งรอยหนึ่งนะคนที่ทําบาปหนามาก็พอเดินทางออกไปปุ๊บเสียชีวิตระหว่างทาง มารายกามา2มา ส, มาสทีมใช่ไหมครับปกติมาทีมเดียวไม่เก็บวิญญาณคนชั่วก็เก็บวิญญาณคนดีอันนี้มาสองทีมพร้อมกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็ถกกันฝ่ายมาริยกาเก็บวิญญาณคนดีก็บอกคนนี้เขาเต่าบ้าแล้วพอกับเนื้อกับตัวแล้วเขาต้องเป็นคนดีสิมารายกาที่เก็บวิญญาณคนชั่วก็แต่เขายังไม่เคยทําความดีสักอย่างเลยไม่มีความดีเลย มีแค่กับเนื้อกับตัวความดีไม่มีความชั่วเยอะแยะยังไงต้องเก็บไปอยู่กับกลุ่มคนชั่วโถนสไตรฟ์พวกลอตัดสินยังไงครับพวกลาตัสได้ส่งมารายการอีกท่านหนึ่งมาในอรดิสไม่ได้บอกว่าเป็นมารายการท่านไหนนะครับให้มาแปลงร่างในรูปลักษณ์ของมนุษย์ทําไมต้องเป็นมนุษย์สุบานอัลลอฮ์คงไม่ได้คุยละเอียดถ้านะมีเวลาให้คุยกันแต่ประเด็นก็คือมารายการท่านที่มาเนี่ย ที่มาตัดสินเนี่ยผู้ว่าร้อให้จําแรงมาในร่างของมนุษย์แล้วก็บอกว่าดูแลกันว่าเขาอยู่ใกล้ตรงไหนมากกว่ากันถ้าเขาอยู่ใกล้บ้านเก่าก็ถือว่าเขายังคงอยู่กลุ่มเก่าๆอยู่ก็ถือเป็นคนชั่วไปถ้าอยู่ใกล้บ้านใหม่ก็ถือว่าเขาเป็นคนดีที่อจะรอรับผลก็คือว่าหาริสอีกสายราย ง, งานหนึง่งหาริสอีกสายราย ง, งานหนึง่งบอกว่าผู้ว่าร้อช่วยให้เขาอยู่ใกล้ที่ใหม่มากกว่าคือจริงๆเขาจงอยู่ใกล้ที่เก่ามากกว่า แต่พวกล้อช่วยนี่แปลว่าทำที่ความเมตตาของล้อนอกจากให้อภัยปุ๊บยังเมตตายังช่วยเหลือจริ ง, รงๆมันไม่น่าจะล่อแต่พวกล้อด้วยความยิ่งใหญ่พวกลเอคาร์เ ร, รอร์ครับอ่าประเด็นที่เราคุยมาเรื่องนี้ก็ถามไม่ถูกคนถามไม่ถูกคนแล้วก็ระวังอย่าให้รูปลักษ์ภายนอกเขาหลอกได้บางทีรูปลักษ์ภายนอกมันดูดีเกินสมัยนี้คนอยากจะหลอกใครสักคนต้องทําตัวให้ดูดีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมือซีมเราต้องมีสติได้คําตอบมาแล้ว ไม่ผิดถ้าเราจะหา second opinion ปัจจุบันเวลาคนไข้ใช่ไหมครับไปหาหมอเขาจะมีการหาหมอคนที่สองจะได้เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันก็เอาให้ชัวร์ไม่ใช่ว่ามันมีบางคนนะปรึกษาผู้รู้หลายท่านเพราะอะไรครับยังไม่เจอใครตอบคำตอบที่เขาต้องการเนี่ยฉันมีเงินดอกเบี้ยเยอะแยะเลยเนี่ยฉันเอามาใช้กับครอบครัวฉันได้ไม่ไปถามผู้รู้คนแรกบอกไม่ได้ไปถามคนที่สองต่อ บอกไม่ได้ไปถามคนที่สามต่อไม่ได้มันต้องมีสักคนบอกว่าได้อันนี้คือต้องการความถูกต้องหรือถูกใจใถูกใจนะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นคือเวลาจะหาสัจธรร ม, มครับอย่าเพิ่งตั้งเป้าอย่าเพิ่งตั้งพั้งใช้คาว่าไงครับตั้งป้อมเอาคําตอบใครตอบคําตอบนี้ฉันจะเชื่อคนนั้นไม่ใช่เนาะต้องดูหลักฐานว่าตามความเป็นจริงอะไรเป็นไงเราก็ตามนั้นครับเอาละให้เราเห็นว่าไหนถูกเราก็ทําตามนั้น อย่าแปลอาถูกใจครับเจอเยอะตัวอย่างตัวเยอะครับพปอ่าต่อครับอินนซ์นาหูงั้นกุรานเนี่ยหลังจากที่ว่าการประทานมีสองแบบแบบแรกก็คือประทานมาทีเดียวเลยทั้งเล่มเรียกว่าอันเซดาถ้าในกุรานเราเจอคําว่าอันเซดาหรืออินซานคําประมาณเนี่ยจะแปลว่าลงมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเจอคําว่านาซาล่าหรือตันซีนขอให้ดูว่าคือการทยอยส่งมาส่งมาเมื่อกี้เรากาลังพูดถึงข้อดีข้อแรกก็คือเพื่อให้ความมั่นคงกับอีิมาน ของบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาโดยเฉพาะสัฮาบะอันที่สองครับข้อดีของการประทานกุหลานมาทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนทําให้จําง่ายขึ้นเหมือนกับถ้าเกิดผมบอกว่าเรายืน่นกุหลาบไปทั้งเล่มบอกให้ไปจํำมาตายไหมครับตายครับแต่ถ้าเกิดเริ่มทีละอายะทีละอายะมันพอเป็นไปได้นะเดี๋ยวสักวันมันคงจะครบหกพานายะนะสักวันมันน่าจะไปถึงอย่างนไรก็เก็บแต้มทีละอายะอายะอายะไปเรื่อย ตามทฤษฎีแล้วคนเราสามารถท่องกุรานทั้งเล่มได้ภายในกี่วันใครรู้บ้าง40วัน40วันจำกุรานทั้งเล่มมีหลักสูตรที่มกกาแกมีคนท่องจำได้ด้วยแต่ถามพ่ฟิตรับรู้ดีกุรานไม่ได้ยากตรงจำครับ ส่วนใหญ่คนที่ใช้เวลาเร่งรีบ40วันในการท่องเนี่ยครับไม่ถึงเดือนหายไปเกือบหมดแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมถ้าเคยจําได้แล้วมาจําใหม่เนี่ยยากกว่าเดิมอีกนี่คือกุลาหันคือถ้าเราแบบหัวว่างๆหัวโล่งๆไม่เคยจําเลยนะครับเรามาพยายามจําเนี่ยเราว่ายากแล้วนะแต่ถ้าจําได้แล้วแล้วเราทิ้งไปไม่ให้ความสําคัญใครไม่ใหความสําคัญกับคำ พ, พ, พูดของพวกเราพวกเราก็ไม่ครับความสําคัญกับเขา ถึงเวลาถ้าเขาอยากจะมาทวนยากกว่าจําตอนแรกอีกเห็นด้วยนะอะ่เห็นด้วยยิ่งถ้าเกิดจะทวนให้กลายเป็นอูดที่ถูกล่ามแล้วเนี่ยยิ่งยากครับถ้าใช้เวลาท่องใช้เวลาสามปีทวนต้องใช้เวลาเกือบสิบปีท่านอับดุลสลามเปรียบเทียบกุรลาดเหมือนกับอูดธรรมชาติของอูด ถ้าเกิดเราจะเอาบางเหียนไปสวมจะไปผูกเนี่ยอูดมันไม่ยอมง่ายๆไม่ชอบไม่ชอบให้ใครไปล่า ม, มันท่านบีก็เปรียบเทียบเหมือนกุหาเนี่ยถ้าจะจำไม่ใช่ว่าแค่ท่องได้ปุ๊บคุณจบแล้วไม่ใช่คุณต้องทวนตลอดเวลาแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งอูดเวลาถูกผูกเรียบร้อยแล้วถูกใส่บางเหียนใส่อะไรแล้วต่อให้เอาเชือกเนี่ยไปผูกแค่กอย้ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ไปไหน คือมันไม่พยศมันไม่หนีไปไหนคือเหมือนกับว่าเออมันเหมือนกับมันโปรงแล้วทาใจแล้วเออฉันโดนล่ามฉันก็ยอมกุหลานก็เหมือนกันคือถ้าไปถึงจุดที่นิ่งแล้วอินชาลอจะไม่หายไปไหนต่อให้เราอาจจะไม่ค่อยได้อ่านระยะนั้นเท่าไหร่แต่กว่าจะถึงขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนใหญ่คนที่ลืมกุหลานจะมากกว่าคนที่จํากุรลานได้เพราะนั้นฝากนะครับท่านใดที่ว่าทํากุหลานได้ทั้งเล่มมานะ อามาน่ใหญ่ที่สุดเลยเราวกลำลังแบกรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ซึ่งกุฎานตอนที่ประทานมาเนี่ยครับเรารู้แล้วว่าพงกเราประทานกุฎาลมาทีละส่วนใช่ไหมมีหลายรูปแบบด้วยในการประทานท่านอับดุลสลามบอกว่ารูปแบบที่หนักที่สุดคือรูปแบบที่มาเหมือนกับเสียงกระดิ่งว่าเราว่ารำเป็นไงไม่รู้แต่บางครั้งถึงขั้นว่าท่านอับดุลสลามกาลังอยู่บนอูดท่านต้องลงจากหลังอูดเพราะท่านกลัวว่าอูดจะหลังหักตาย คือเวลาผู้่านประธานมาคือเหงื่อท่านจะออกคําพูดของพระเจ้าคําพูดของเราผู้ด่านไม่ใช่ของเล่นนะครับคือเราเห็นรวมเป็นเล่มมันง่ายไงบางทีเราก็ไม่ได้ไม่เกลียดไมได่อะไรผมคิดถึงคําพูดของเชคผมเชฟเชฟเชงกิติอะไรมาบุหรคนลูกอะ น, นะครับผมเชฟมูดัสเชงกิตีพ่อของท่านคือเชฟกัมินเชงกิติ้เป็นผู้รู้ทั้งคู่ระดับสูงของโลกระดับแนวหน้าของโลก เ, เชคหมวดมุกตาแต่รครับท่านเล่าให้ผมฟังพวกผมฟังนตอนที่เรียนกันเนี่ยเขาบอกว่าสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นเชคเป็นวัยรุ่นก็ทําหน้าที่รีดโต๊ะให้ พ, พ่อพ่อที่เป็นอาจารย์เหมือนกันรีดโต๊แล้วก็รีบชีมาร์ชีมาร์ก็คือผ้าคุมผู้รู้นี่คือผ้าคุมขาดไม่ได้เลยในที่นี้เรามีผู้รู้แค่คนเดียวนะครับผมก็คือเรามีไอ้าย<ช>แล้วครับไม่เคยขาดชีมาร์กมาชาว่าเลยครับผมแล้วชีมาร์ต้องเงียบไงก็เชคก็รีบเสร็จ ก็รู้ว่าเดี๋ยวพ่อจะเดินทางจะไปสอนแล้จะไปฮาละก้อแล้วก็พ่อก็จะมีกุรานคู่ใจอยู่เชก็เลยเอาผ้าชีมาร์กไปวางบนกุรานเพราะกลัวยับไงถ้ากุรานวางทับเนี่ยชีมาร์กยับเดี๋ยวดูไม่ดีพ่อมาเห็นปุ๊บพ่อรีบเอากุรานวางทับชีมาร์กแล้วก็บอกลูกว่าไงลูกเอ๋ยสิ่งที่ทําให้ผู้คนให้เกลียดพวกเราไม่ใช่ชีมาร์กแต่คือคําพูดของเลา สิ่งที่ทําให้ผู้คนให้เกียรติเราเอาล้อยเกียรติผู้รู้เอาล้อยเกียรติคนที่เป็นฮาฟิซเอาล้อยเกียรติคนที่ว่าพวคขีกับกุลาดเป็นประจํามันไม่ใช่เพราะเขาแต่งตัวดีแต่งตัวมันมาทีหลังแต่เพราะกุลานเพราะพ่ อ, พ, อพูดอย่างนี้ปุ๊บเชฟผมก็บอกว่าเขาก็จํามาแบบจําฝังใจเลยคือแบบอย่างที่ดีดีกว่าคําพูดนะครับแบบอย่างที่ดีดีกว่าพําพูดก็คือนี่คือเป็นพ่อที่สอนลูกอย่างแท้จริงแล้วเชคก็มาสานต่อพวกผมแล้วพวกผมก็ ใช่กุรานเขาพูดของร้องไม่ใช่สิ่งล้อเล่นไม่ใช่สิ่งที่ว่าเราจะมามักแงกกับมันได้ครับผมอย่ามคพีพิคุรานการประทานมาเนี่ยท่านอับดุลเบียร์รัสยาสลัมกว่าจะได้รับเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางทีท่านก็ร้อนใจกุรานมาปุ๊บท่านก็รีบท่องตามคือท่านชุกนี้มาบอกท่านอบีท่านอบีก็รีบท่องเพราะกลัวจะลืมพวกลอสนาตาก็บอกไงครับแล้วตัวฮาริกบีฮีริซาเะกาลิตาใช่หรบีอย่าเร่งรีบการกระดกลิ้นเพื่อที่จะท่องจํากุราน หน้าที่ของเราคือการประทานกุรานแล้วหน้าที่ของเราคือการรวบรวมกุรานคือไม่ต้องกลั ว, พวเพราะร้อยใจท่านบีจําได้เปน็นคนที่รักกุรานทั้งหลายอย่าเร่งรีบในการอ่านกุรอานอย่าเร่งรีบในการอ่านกุร า, าร น, ารานราพระองค์ประทานสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้กับเราแล้วยกเว้นคนทวนผมไม่เกี่ยงนะคนทวนบางทีมันต้องเร็วบางทีอ่ออาให้มันชาพีอะไรให้มดลหรออย่างที่เราทราบกันก็คือบางทีคือ1ท่านอ่านจบรอบสองรอบ แต่ท่านอบีมูฮัตสุลลาะของาาอะัลสลำบอกว่าคนที่อ่านกุรานจบทั้งเล่มโดยใช้เวลาน้อยกว่า3วันเขาไม่มีทางเข้าใจกุรานแปลว่าถ้าจะอ่านเอาสาระต้องอ่านช้าๆแต่ถ้าจะอ่านท่องอ่านทวนต้องอ่านเร็วคนละประเด็นกันก็คือต้องเน้นกันอย่างถ้าเกิดฮาฟิดเขาทวนเขาต้องเร็วแต่ถ้าถึงเวลานำละหมาดปุ๊บก็ต้องอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปรีบอย่าไปทำสนิติ หนึ่งหายใจฉันสามารถอ่านจบสุราะอิกรออัลอาลักษ์ได้เลยประมาณมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าควรจะมาแน่ยินดีบางคนก็หนึ่งหายใจฟาติฮะบิสมิลลาอาร์าะห์ลาฮิอัลลอฮฺไม่ใช่เราไม่ใช่นั้นเข้าขายไม่เกีย่ยวคําพูดของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณครับผมงั้นเรื่องการประทานคัมภีร์กุรานค่าวเราทราบแล้วอัลลอฮ์บอกว่าพวกเราได้ประทานคัมภีร์กุรานมาเนี่ยในคืนเลนตุนกอดซึ่งมีนักชาติการบางส่วนเห็นต่าง ผมใช้คำว่าเห็นต่างเป็นนักอธิบายกุรานระดับอาวุโสเช่นเดียวกันครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเชคอุไซมินรอฮิมอลลอฮครับทัตาบีเนี่ยก็คือเชคชาบีเชคชาบีท่านมีความเห็นว่ากุรานเนี่ยไม่มีการถูกประทานมาจากลาฮิมาฟลสมาที่ับต ah ุลอิซซาเป็นความเห็นส่วนตัวของท่าน ท่านบอกว่าที่พอล้ก่าว่าเราประทานกุรานมาในคืเตุกอเนี่ยหมายถึงอายะแรกของกุรานหรือต้องพูดให้ถูกก็คือ5้าอายะแรกของกุรานก็คือสุระอัลอลักบิสมิลลาฮิรเราะห์มานรรหมอิกรออิกรบิสมิละีลกลกอินซามินอลักอิกรวารบุกัลกรมอัลลดีอลมกลัมอลมอินซาเนมลัมยะลัม่าชกามีความเห็นพ้องต้องกันว่าหอายะแรกที่ถ <ADHD> ูกประทานลงมาก็ถูกประทานมาในเดือนอมาดอนเช่นเดียวก ซึ่งเชคกุสัยมีรบ้างบ้างแล้ก็เช็คชาบีมองว่ากุรานน่าจะไม่ได้ถูกประทานในที่เบตุลิซาด้วยกับเหตุผลซึ่งผมกลัวว่าถ้าคุยตรงนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปแต่ส่วนตัวผมผมเห็นตามมติส่วนใหญ่ผมเห็นตามมติส่วนให ญ, เหมมใหญ่เพราะว่ามาจากอิบนะบาสซึ่งเป็นปราดอาวุโสในเรื่องของการอถาธาิบายกุรานแล้วก็เรื่องพวกนี้ท่านคิดเองไม่ได้ซาบะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามซาบะอาวุโสพูดในสิ่งที่ไม่มีทางคิดเองได้แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าหัว ก, กบนั้นมาจากท่านอบีแน่นอน สาราตุลลออะไรแต่ประเด็นก็คือมันก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญจะประทานมาผ่านใบตุลิซาหรือไม่ผ่านใบตุลิซายังไงก็คือกุฎานเป็นสิ่งที่ถูกประทานมาเพื่อเยียวยาจิตใจพวกเราแล้วก็รักษาจิตวิญญาณของพวกเราครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่ว่าจะมาเป็นคีราบเท่าจะเป็นเอาตายกันเพราะนั้นผมไม่เจาตรงนี้ลึกทีนี้ครับไลเลตุลกัดเราได้ประทานกุฎานลงมาในค่ําคืนไลเลตุลกัดประเด็นที่น่าสนใจก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอันกัด ประทานลงมาในยามค่ำคืนถ้าเราดูในคำพีอัลกุรานอย่างที่พวกเราทราบครับว่าในช่วงเวลานั้นแต่และช่วงมีความงดงามของมันและถ้าเราดูในกุรานครับอินนาเชียตัไลลกับอีกหลายหลายอายะบินเ ah ลลิฟตฮัจจีนาฟิลันกับอีกหลายหลายที่พวกเราจะพูดให้เกียรติเวลายามค่ำคืน เช่นเดียวกับที่พวกเราทราบดีกันว่าหนึ่งในสามคืนสุดท้ายพวกเราผู้ทรงสงูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่จะลงมาในภาคฟ้าของลุนยาเพื่อที่จะมารับการขอรับการบินรอนแล้วก็ให้อภัยบาปที่เขาอยากจะให้อภัยแล้วพวกเราก็ได้พูดถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาว่าแล้วส่วนหนึ่งของยามค่ําคืนเขาได้เสียสละเพื่อทําการละหมาดให้แก่เราอายะกราหมากมายครับถ้าจะยกมาเยอะๆมากมายที่พูดถึงความประเสริฐของคนที่ เสียสละเวลาในยามค่ำคืนเพื่อให้อัลลอ์รักอัลลอ์พอใจเขาแล้วถ้าเราดูครับพวกอัลลอ์ก็เลือกเวลาค่ำคืนในการประทานคำพีที่ประเสริฐที่สุดของพระองค์เพราะนั้นมุสลิมผู้ศรัทธาที่แท้จริงหากอยากจะดูว่าเราเป็นผู้ศรัทธาระดับไหนให้ดูว่าเวลายามค่ำคืนของเราเราใช้ไปกับอะไรบ้างรู้เลย นอกเหนือจากละหมากา ร, รักษาละหมาดครบห้าเวลานอกเหนือจากการรักษาวาญิตต่างๆหากจะดูว่าระดับของเราสูงส่งแค่ไหนให้ดูว่ายามค่ำคืนของเราหมดไปกับอะไรบ้างเพราะว่าผู้ศรัทธาที่รักเก่าในกุรานยามค่ําคืนเขาอย่างน้อยที่สุดต้องมีส่วนหนึ่งที่เขาจะทําอิบาระให้เอาลออรักกับล้อพอใจอันนี้เป็นสิ่งที่ขอฝากตัวผมเองแล้วก็ทุกท่านไว้ทําให้ยามค่าคืนมีชีวิตชีวาด้วยพยายามทำให้ยามค่ำคืนมีชีวิตชีวา อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับก็คือแต่ละท่านตอนนี้ก็ได้ทําแล้วนะครับก็คือหลังมั ก, กรีบยคำค่ำคืนแล้วอยาค่ำคืนเราก็ได้ไปทําการศึกษามาเช้าว่วาไอ้ผมนี่มีมุมมองดีๆทางนั้นเลยนะครับอันนี้คือฮิกมะ ข, ของคนมีมากกว่าหนึ่งหรือป่าครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับไม่พูดต่อไม่พูดต่อวันนี้คุณหมอไม่มานะครับถ้าคุณหมอมามีคนมีคนเปิดประเด็นต่อม ไ, มไม่เกี่ยวคนต่างบ้านโอเคครับผมงั้นหลังจากนั้นครับพ่อรอ๊อ เรียกค่าคืนนี้ว่าเป็นไรละตุลกัตรกัตเตร์ทำไมถึงถูกเรียกชื่อนี้มีสามเหตุผลครับที่ถูกเรียกว่าไลน์ตุลกัตรทั้งสามเหตุผลฟังขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าทั้ง3มเหตุผลคือเหตุผลที่พวกเราเรียกค่าคืนนี้ว่าเป็นไลน์ตุลกัตรประการแรกครับคําว่ากัตรุในภาษาหลับแปลว่าการเทิดทูลเชิดชูยกย่องที่เรียกว่าตักเดียร ในระตุก็ก็คือค่าคืนที่ได้รับการเชิดชูยกย่องความหมายนี้ชัดเจนใช่ไหมครับเพราะจากกายกะโบราณที่ตามมาก็คือพวกเราว่าในค่าคืนเนี่ยการทำความดีในค่าคืนนี้ดีกว่าการทำความดีในค่าคืนอื่นที่ไม่มีคืนในระตุก็ตถึงหนึ่พเดือนดีกว่าดีกว่า 1,000 ันเดือนสิเพราะฉะนั้นจึงเป็นคืนที่ว่าได้รับการเชิดชูยกย่อง อันนี้คือความหมายแรกของกอตต์ความหมายที่สองของกอ๊อตต์ก็คือที่พวกเราทราบกันนี้ก็คือเรื่องของก๊อโดก๊อตต์คำ ว, ว่าก๊อโดก๊อตต์นักชาการมีความหมายมีความเห็นต่างกันว่าก๊อโดก๊อตต์ความหมายต่างกันไหมหรือไม่ต่างกันกลุ่มหนึ่งก็มองว่าก๊อโดคือการตัดสินในสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เราล็อกําหนดแล้วมันผ่านไปแล้วเรียกว่าก๊อโดความผิดบาปทั้งหมดของเราเรียกว่าก๊อโดถ้าเราเตาบ้าทั้งหมดถือว่าลอยยกให้แล้วก็ถือว่าสามารถอ้างได้ว่าล็อกําหนดมันก็เลยเป็นไปอย่างนนั้ ส่วนสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่ากอดัฟตามความหมายนี้ครับเป็นะระยะเวลาตัวกอดัฟเป็นค่ําคืนที่พวกเราจะทําการกําหนดกิจการทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในดุนยาเป็นระยะเวลาอีกหนึ่งปี1ปีนับจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือให้มาเลก้ามาส่งข้อมูลซึ่งกันและกันส่งข้อมูลมีการตรวจสอบแล้วก็มีการบอกว่าอีก1ปีนับจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะมีฝนตกที่นั่นนะจะมีแผ่นดินไหวที่นี่นะจะมีคนคนนั้นเกิดจะมีคนคนนี้ตายจะมีการงานอะไรทุกอย่างเพราะแล้ใช่คําว่ากุลิอัมลินทุกๆเรื่องเลยทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีก็จะมีการมาพูดกันอีกเพราะว่ามริกาไม่รู้อนาคตนะครับไม่มีมริกาถ้าใดรู้อนาคตรู้เท่าที่อัลลอฮ์จะให้ท่านเหล่านั้นรู้อย่างมารีกินมูธก็จะรู้ล่วงหน้านิดหนึ่งว่าต้องไปเก็บวิญญาณใครเมื่อไหร่อะไรยังไงก็จะรู้ล่วงหน้าเล็กน้อยไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลย ยเวลาไม่ได้แก้แต่ท่านั้นก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้กันปีหนึ่งล่วงหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในอีกปีหนึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ถูกเรียกว่าเป็นลายตุ้งกั๊ดเดอร์หน่งีครบหปีต่ทุกทุกปีถูกต้องก็คือ ล, ลตุ้งกั๊นี้ไปถึงลาตุ้งกั๊หน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับพอลาตุ้งกั๊หน้าอีกก็มากําหนดใหม่อีกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นก็มีการปรับไปเรื่อยๆครับผมต่อไปครับความหมายที่สาม ความหมายที่สองจริงๆผมแอบลุ้นว่าจะมีใครถามคําถามนะไม่มีใครถามงนั้นผมข้ามไปก่อนอาจจะถามตอนถ้าเรามีเวลาตอนหลังน ะ, ะความหมายที่สามของก็จะก็จะมีอีกหนึ่งความหมายถึงความแน่นหนาหนาแน่นใช้คาว่าหนาแน่นดีกว่าคาว่าหนาแน่นข้ามคืนแห่งความหนาแน่นของความคับข้างหนาแน่นคับข้างอะไรหนาแน่นอะไรคับข้าง ในรีสเบหนึ่งครับท่านอบีมัสละลอห์ของอิสลามบอกว่าจํานวนมาายแก๊สที่จะลงมาในค่ําคืนไลยละตุนกอรดมีมากกว่าจํานวนกวดที่อยู่บนโลกคือกวดบนโลกนีมีเท่าไหร่มารายแก๊สที่ลงมาในค่ําคืนนั้นค่ําคืนเดียวมีมากกว่าสิสุพานองเหรอลงมาทําอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน เดี๋ยวเราค่ว่ากันว่ารวมาทำอะไรแต่ตอนนี้เรารู้ความหมายของอะไรตรึ้งก็มี3ความหมายที่ถูกเรียกว่าอัลกอริเพราะฉะนั้นในทัฟซีดผมเลยไม่รู้จะแปลไงนะครับก็แปลว่าขั้มกืนของการกําหนดความหมายที่นักวิชาการส่วนใหญ่ใช้กันแต่ขอให้รู้ว่าก็ดิมี3ความหมายความหมายแรกคืออะไรนะครับเทิร <13. S 1> ์นทูลยกย่องให้เกียรติอันที่2ก็คือการกําหนดการกําหนดสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอันที่3ก็คือคับข้างหนาแน่นอันนี้คือก็ดิ ความหมายของเขาว่ากระดดซึ่งทั้งสาความหมายก็มีนักวิชาการที่เชื่อต่างกันซึ่งส่วนตัวผมก็คืออายากุระระยะไหนถ้าเกิดว่าสามารถไปอย่างไรได้โดยที่ไม่ผิดเพี้ยนอะไรก็แปลว่ามาสื่อองนนได้เลยก็ไม่ต้องไปหาที่ถูกที่สุดก็คือในเมื่อได้ทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดตามนั้นเหมือนกับที่เราถ้าพูดคุยกันในสุละอัลอาดียัตจะแปลว่าม้านศึกหรือจะแปลว่าอุดที่ว่าไปแสวงบุญทั้งสองความหมายงดงามหมดก็แปลไปตามนั้นครับว่าลอฮตจ่าละอาลัม หลังจากนั้นพวกรพอรหันต์ผู้ทรงสูง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ได้พูดตอว่าไงครับว่มาอดกมาไตุลกดแล้วอะไรล่ะที่ทาให้เจ้ารู้ว่าไลตุลกัดคืออะไรเวลาที่พวกอรหันต์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ย้าในภาษาหลับสนุนภาษาหลับเมื่อต้องการจะแสดงถึงความสาคัญของอะไรสักอย่างจะพูดย้ำเหมือนท่านบุี๊ยมัสลลอลยสดมเวลาท่านพูดเวลาท่านสอนเวลาถึงส่วนที่ท่านต้องการจะย้ำท่านย้ำถึงสามรอบ ย้ำถึง3รารอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ฟังเข้าใจจริงๆพรายใต้นในกระานเวลาที่พวกเราต้องการจะให้ความสำคัญให้เราให้ความสำคัญกับอะไรพวกก็จะย้ำถึงสองครั้งบางทีอาจจะมีสามมีอะไรครับที่มีสามครั้งอลาการิอามาลกอริอาวอมารรกมาลกอริอาอันนี้ก็คือสูงสุดเต็มแม็กเลยย้ำถึงสามครั้งซึ่งมีบางขั้นนะครับที่ว่า อย่างที่เราทราบ ก, ก็คือบางท่านชอบมานั่งคํานวณเอากุรานมาตีเป็นเลขมากีเป็นอะไรเราก็ถือว่าเราก็รับรู้เป็นรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามไม่ใช่กุรานไม่ใช่ฮะดีสสังเกตดูไหมครับคำว่าอะไรตุ้นก็ด์เนี่ยประกอบไปด้วยอักษรทั้งหมดกี่ตัวอักษรรามยาลา ม, าลามตาอาลีบรามกอบดานรอรวมเป็น9ในอายะในสุรานี้พูดคาว่าอะไรตุ้นก็ด์กี่ครั้ง สามครั้งเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นคืนที่มีโอกาสไปคืนไรตุ้นก้อนมากที่สุดโอ้เขาคิดได้ผมเจอปุ๊บโอ้โหคิดได้อย่างไงคือเขาคิดมากกว่านี้อีกนะเขาคิดถึงขั้นว่าคำในซูร้อนนี้ครับคำในซูร้ะนนี้มีทั้งหมดสามสิบคำตรงกับเดือนเดี๋ยวใครว้างๆไปนั่งนับ ใครมองว่าเป็นดังนับละกันผมก็ไม่รู้คือเขาว่ามาผมก็มาพูดให้ฟังเฉยๆแล้วเขาบอกว่าเอ่อซาลามุนฮิยาคำว่าฮิยาตรงกับคำที่ยี่สิบเจ็ดมีส0คสิบคำไงฮิยาคือย7ิบเจ็ดฮัตตายี่แปดมัตายี่ิบเก้าอัลฟาสาสิบฮิยาคือคำว่ายี่สิบเจ็ดซึ่งก็ตรงกับโอกาสส่วนมากที่เกิดใ้ตุนกัสโอ้โหเขาคิดได้ผมแบบ สุดยอดสุดยอดจริงๆเลยเอ่อก็คือเอามาพูดคุยเฉยๆนะครับผมเพราะบางคนก็บอกว่าถ้านับอักษระมีทั้งหมด114อักษรตรงกับจำนวนสุรในกุรอานอ่ า, อ, าะอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นก็บ เครดิตผมผมไม่ได้มานั่งนับเองนะครับผมไปอ่านเจอมาก็เลยเอามาแชร์กันฟังเฉยๆว่าก็นักวิชาการโลกมุสลิมเนี่ยบางท่านแบบด้วยความที่รักกุรานนะครับเราก็ให้เกียรติท่านนะครับบางท่านแบบมานั่งแบบนั่งนับเป็นคํคำคำคำคำคำคำวารอะรล่ะครับจะจริงจะเท็จคือต้องนับก่อนว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็พอแล้วทําอะไรย่อมมีเหตุของเขาบอกว่ารออะไรลเหมือนกับที่ว่านักวิชาการถึงขั้นมานั่งนับคําทุกคําในกุรอานสุภาเราละคนได้ยังไง แล้วก็สรุปว่าคําที่อยู่กลางกุริอ่านพอดีคือคําว่าว่าเลตัลต์ท็อปเวลาเอ่านกุรอ่านใช่ไหมครับฉบับมักดานี้เน่ยนะที่ว่าปกติเป็นหมึกดําพอเจอว่าเลตัลต์ทอปเป็นหมึกแดงเขาบอกว่าเป็นคําที่อยู่กลางกุฎอ่านพอดีจริงเค่ผมไม่รู้ว่าร้อยอะไรผมไม่เคยนั่งนับอ่านจบได้นี่ก็อ่านห้ำดูดีละแล้วนะครับนั่งนับเป็นคํานี่ต้องเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับผู้อ่านอย่างแท้จริงซึ่งผมนับถือเลยท่านบอกว่าคําที่อยู่กลางกุรอ่านเป๊ะเลยคือคําว่า และจงมีมารยาทที่ดีจงอ่อนน้อมถ่อมตนหัวใจของอิสลามเป็นหัวใจของอิสลามหัวใจของมุสลิมเลยคือการมีมารยาทที่ดีเหมือนกับที่มีคนถามท่านบีมสุสลิมถึงความดีความชั่วท่านบีบอกวความดีคืออะไรครับพุสุขุลุกการมีมารยาทที่ดีความชั่วคืออะไรก็ตามที่คุณทําแล้วใจคุณไม่สงบนั่นแหละคือความชั่วท่านบีอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆเหมือนสามีถ้าเกิดโกหกภรรยาหรือแอบไปมีคนที่สอง ใช้คำว่าแอบนะใจไม่สบายหรอกเพราะเขารู้ลึกๆในใจเขารู้ว่าเขาทำผิดอยู่<ม>เขาทำบาปอยู่นั่นแหละท่านาบีเลบอกว่าหากอยากรู้อะไรคือความชั่วคือสิ่งที่คุณทำไปแล้วคุณรู้สึกมันไม่สบายใจใจมันไม่สงบนั่นแหละคือความชั่วเพราะความดีมุสลิมเราทำเราจะมีความสุข อ, อ, อ, อ, อิมเอิมอิมเอฟถึงแม้บางเรื่องอาจจะต้องกลับไปโดนใครด่าใครว่าก็ตามบางทีเพื่อนไม่เข้าใจ ทำไมมาละห ม, มาดอีกแล้วเลยอาจจะโดนแดาแล้วก็มีความอิมอ่มเอิบของเราในการที่ทําความดีครับงั้นเรื่องตัวเลขกูแหละเราพักกันแค่นี้ก่อนจริงๆสซล่นี่ยังมีอีกแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นเดี๋ยวผมมาใบหวยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจ้าอะไรเยอะใหญ่โตมัลสินเราย้ํานะครับห้ามเล่นหวยนะอาจารย์ป้าคืนยีเอาคืนยี่บเจ็ดนะครับประเด็นตะคืนยี่บเจ็ดคืออย่างที่พวกเราทราบก็คือท่านนบีมุสลิมได้พูดไปว่าสําหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาคืออะไรนะตะตุ้งก็คือให้แสวงหาในช่วง สิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งเลยละตุ้นก็ตรงกับคื้นที่เท่าไหร่รู้ไ้ยครับวานนักชาการมีกี่ทัศนะ ท, นะที่มีการรวบรวมที่ผมเคยเจอที่ผมเคยอ่านมามีไม่ต่ำกว่าสนะี่สิบทัศนะสั <c oughs> เออรอมฎอนมีแค่30มสิบวันนะแต่ทัศนะเล่นไปสี่สิบทัศนะกวันราอวะลำครับคือมุสลิมเรา พวกล้อสอนเราเป็นประจำเป็นประจำว่าเราต้องฉลาดเราไม่เสี่ยงใครเราไม่เอาชีวิตเราไปเสี่ยงเราเล่นของชัวเราทํามันทุกคืนเลยคืนไหนไม่พลาดเรารู้ไหมครับทําไมถึงมีคืนออะไรตุ้นกอตในเพื่อขย่หมามานิคนะครับไรอันไรอันฮองล้อนะครับได้บอกว่าท่านบีมสัสเรย์ามไพหลังจากที่ว่าพวกล้อได้ให้ท่านดูอายุไขของกลุ่มชนต่างๆ มูฮัร์สุบานตราผู้ทรงสูงสูงผู้ทรงใหญ่เคยให้ท่านน บ, บีมูฮัมมัดสลลฮฺเห็นอายุไขของประชาชาิกลุ่มต่างๆซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดสลลฮฺก็พบว่าประชาชาติของท่านเนี่ยอายุไขสั้นที่สุดแล้ว <S 1> <S 1> ท่านนบีบอกว่าเฉลีย่ยพวกเราเท่าไหร่ครับหกสิบถปีท่านใดที่มากกว่าเจปีนั่นคือกำเ น, นชีวิตละคือถ้าไม่เป็นคนดีสุดๆขอโทษนะถ้าผมพูดแรงก็เป็นคนชั่วสุดๆ เพาะท่ามีครั้งหนึ่งมีซอบ้าไปถามท่านลบีวัสลลลอยสลามครับถามว่าคนประเภทไหนที่ว่าเป็นคนดีที่สุดคือเวลาใครมาถามท่านลบีท่านลบีก็จะดูว่าคนถามรูปแบบไหนก็จะตอบในรูปแบบที่เขาต้องการเพราะท่านลบีรู้ว่าเขาต้องการอะไรสื่อด้านไหนเพราะความหมายมันตอบได้หลายประเด็นท่านลบีมัสลลลอยสลามก็บอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่เอลเล่อให้เขามีอายุที่ยืนยาว แล้วอายุที่ยืนยาวนั้นเขาใช้ไปเพื่ออัลลอฮ์ใช้ไปเพื่อให้อัลลอฮ์รักนั่นแหละคือคนที่ดีที่สุดเซอร์บาสเดิรก็ถามว่าแล้วใครคือคนที่ชั่วร้ายที่สุดท่านอบี๋ยมัสลัสลามก็บอกว่าคือคนที่พออัลลอฮ์ให้เขามีอายุที่ยืนยาวแล้วอายุที่ยืนยาวนั้นหมดไปกับการทําให้อัลลอฮ์เกียรติชังครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามยังไม่ถึง60สิบยังไม่ถึงเจสอายุคือสิ่งที่ใช้ในการประเมินคุณภาพตัวเรา ถ้าท่านใดที่อัลลอฮฺให้เกินหกสิบอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺให้มากแล้วก็จงใช้มันให้มีคุณค่าที่สุดกับลูกกับหลานเพาเผบ้านก็ดีปล่อยพ่อปล่อยแม่มาเลี้ยงมันก็ได้นะคนที่เกิน60สิบเจ็สิบ่ะควรจะเน้นทําตัวให้อัลลอฮฺรักให้มากขึ้นอะไรที่เป็นความดีงามสิ่งดีงามทําให้หมดครับรูปแบบเยอะแยะเริ่มต้นง่ายที่สุดที่พวกเราทํากันก็คือก็ศึกษาให้รู้จะได้ทําให้ถูกต้องถึงเวลาอ่านกุราลอย่างตอนเนี้ยไปละหมาดปุ๊บ อ่านสรออินนาเ a นาโฮฟีเลยแ l ้วตกปุเราก็ได้ความหมายตามไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ไปเดี๋ยวจะไม่จบนะครับมีประเด็นที่อยากพูดคุยค่อนข้างจะหลายประเด็นทีนี้ครับในอายะที่3ามครับพวกเราพผู้ทรงสูงทรงผู้สงูสงยิ่งใหญ่ได้พูดต่อว่าได้กล่าวต่อมาว่าเลล้ตุลก็ตร ค่อยรู้มินอัลฟิชาร์เมื่อกี้ผมพูดถึงอะีรใช่ไหมครับว่าหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่ามได้เห็นอายุไขของประชาชาติต่ตางๆแล้วท่านพบว่าอายุไขของประชาชาินี้อยู่ที่ 60- สิถึงเจท่านนบีมสุสลิมก็ได้ขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้กับพวกเราอีกแล้วนี่คือความรักของท่านนบีที่มีให้กับพวกเราอะไรที่ว่ามันเป็นเรื่องเดือดร้อนสําหรับเราสําหรับท่านนบีเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ครับว่าเราก็จะอักบุม รับูลุมมินอังคุศิกุมอาซีซุนอาเลหิมาอานิตุมฮาริซุนอาเลกุมบิลมุเอมินีร้าอฟุนราหิมบิลมุเอมินีราอฟุนราหิมเพราะละกล่าวว่าไงครับคุณลักษณะของท่านนบีมัสลัมสลิมสุลามเพราะละสรุปไว้ว่าได้มาหาพวกเจ้าแล้วศาสนาทูตที่ประเสริฐยิ่งมาจากตัวของพวกเจ้าเองก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเป็นคนธรรมดาเนี่แหละอาซีซุนอาเลหิมาอานิตตุม ถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเขาจะเป็นเดือดเป็นร้อนทันทีเป็นเดือดเป็นล้นทันทีสุภาณลละกับคนที่ท่านอบีไม่เคยเจอแต่ถ้ารู้ว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเราปุ๊บท่านเป็นเดือดเป็นล้นเลยอาซีซุนอะไรฮิมาอันนีตุ่มอะไรก็ตามที่มันจะเป็นผลประโยชน์กับเราที่มันส่งผลกับเราจะเป็นด้านดีด้านไม่ดีเนี่ยท่านอบีถือว่าเป็นเดือดเป็นล้อนท่านต้องเอาให้ได้ดีที่สุดสําหรับเราดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดด้วยไม่ใช่แค่ดีที่สุดนะ เพราะบางอย่างดีที่สุดเรายากแต่ท่านอับดุลเลาะหย์ามครับที่อิยาช่าบอกว่าถ้าพวกเราเราให้ท่านอบีเลือกระหว่างสองอย่างถ้าท่านมีสิทธิ์เลือกถ้าท่านมีสิทธิ์เลือกท่านจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดไม่ใช่เพราะท่านขี้เกียจเพราะท่านคือผู้ที่ยืนละหมาดจนเท้าบวมท่านไม่ได้ขี้เกียจแน่นอนละหมาดสุนนะจนเท้าบวมแต่คือเป็นห่วงเราไงฮ า, าริสุนอเลิกุมเพราะเราใช้คําว่าฮาริสฮาริซาแปรก็คือ มีความปาถนาแบบอย่างมากมายถ้าแปลสับหยับๆแปลว่าโลบมากท่านอบีุลลามุสลาฮ์ซมเป็นผู้ที่มีความปราถนาอย่างมากมายให้เกิดสิ่งดีๆกับเราหาดีซุนอัลัยกุมนอกเหนือจากนั้นครับบิลมุมีนีน่ารออูฟุราฮิมแล้วท่านยังเป็นคนที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาผู้ศรัทธาโอ้สุบพานาวะคือถึงขั้นที่ว่าอยู่อยู่ดีๆท่านอบี นั่งอยู่กับซอฮาบะอยู่กับคนที่ท่านรักเราทนายบีร้องไห้ได้เราคิดดูแล้วกันร้องไห้ซอฮาบะก็ถามเนรซู ล, ละมายุกี้ทําไมท่านถึงร้องเลยเกิดอะไรขึ้นท่านบีบอกอะไรครับฉันคิดถึงพี่น้องของฉันสุภาณองค์คิดถึงพี่น้องจนร้องไห้คิดถึงเราเคยคิดถึงใครจนร้องไห้ไหมครับบางท่านน่าจะมีโดยพราะไอคนที่มันไม่ยอมคืนตังเราร้องไห้แทบเป็นสายเลือดเมื่อไรบรรเจ้ามาคืนสักทีไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่นะ อัลฮัมเลยละมันมันมันขึ้อยู่ว่าเราแค้นขขาหรือฮักเขาเอาัลฮัมดูดีแล้วอัลฮัมแะ้วปุเป็นพ่อฮักผมขอเฮ้ยเป็นพ่อฮักวันนี้เป็นพ่อแค้เลยครับผม <c oughs> คือท่านนบีเป็นให้แล้วบอกฉันคิดถึงพี่น้องของฉันสอบ้ายอยู่แ่านั้นก็นอา้าวก็เราอยู่กับท่านไม่ใช่เหอเรอ ล, ล่ะเราซูดุลละเราก็อยู่กับท่านนาบีบอกว่าได้ครับพวกท่านคือมิตรสหายของฉัน อันตุมอชาบีเป็นมิสหายเป็นคนรักของฉันพี่น้องของฉันคือคนที่เขาศรัทธากับฉันศรัทธาต่อฉันทั้งๆ้ ท, ง ท, งที่เขาไม่เห็นฉันน บ, บีมูฮัมมัดสานพูดถึงใครครับนี่แหละที่อยู่กัน น, นี้แหละที่อยู่กันในห้องนี้ทุงท่านที่จะละหมาดทุกท่านที่กําลังชมอยู่น บ, บีพูดถึงพวกเราแล้วน บ, บีร้องไห้คิดถึงพวกเราทุกคนซูพาต้องร้อครับคิดถึงเราจนร้องไห้ ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีใครรักขอให้รู้ว่ามีคนที่รักเรามากถึงขั้นว่าร้องไห้เพราะคิดถึงพวกเรามาแล้วถึงแม้เราไม่รู้ก็ตามอสาัสซาฟุลลอห์ตับอาจารย์ก่อนครับผม คอรราามคับเดี๋ยวผมจต้องพยายามทําเวลานิดหนึ่งนะครับผมเนื้อหาที่อยากพูดคุยยังเหลืออยู่จํานวนหนึ่งเดี๋ยวจะเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วไม่จบเหมือนเดิมครับไรตุ้ก็ดี๋ค่อยดูมิลลฟิชตัตในองค์การที่สามนะครับนักวิชาการเห็นผองต้องการว่าการที่บอกว่าขําคืนออไยตุ้นก็ตนั้นประเสริฐดีงามยิ่งกว่า 1000เดือนเสียอีกนี่คือการทำความดีงามในค่าคืนนี้การทำความดีงามในค่าคืนนี้การทำความดีงามแปลว่าอะไรประเด็นนี้น่าสนใจคือหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าใครก็ตามที่ทาอามันอีบาดะในคืนเลยลราต้องก็ตจะดีกว่าการที่เขาทำความดีหนึ่งันเดือนไม่ใช่เราต้องทาความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนพะมุสลิมเราหลายท่านเข้าใจผิด ขอโทษถ้าผมพูดรแรงหนือถ้าพูดไรไม่เกียร์เราเข้าใจว่าถ้าฉันได้ละหมาดในคืนนี้นะเท่ากับ1000นเดือนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต้องใช้คำว่าคาดเคลื่อนเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความดีก่อนความดีคืออะไรครับอิบานะคืออะไรอะไรก็ตามที่ทำแล้วอลัลลอฮ์รักอลักอลลอฮ์พอใจท่นานอิฮมอัลมบอกอินนัลลอฮะตยิบุนลยักบลูอิลลตยิบัน แท้จริงพู้อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ดีงามเพราะองค์อัลลอฮ์จะรับเพียงเสียงสิ่งที่ดีงามเท่านั้นสิ่งที่ดีงามคือสิ่งที่เน้นคุณภาพหรือปริมาณครับคุณภาพหมายถึงคนที่ดีงามคือคนที่เขาไม่นินทาใครคือคนที่มือของเขา ปลอดภัยในการจะไปทําร้ายผู้อื่นถาน้ามีรัศมกว่าเหมือนอมุสลิมุมัลซิริมันมุสลิมูนาเมลีซานีอวะยะดีผู้ศรัทธามุสลิมถ้ามีเชคเขามุสลิมมุสลิมนั้นคือคนที่พี่น้องของเขาปลอดภัยจากมือและเทา้าหมายความว่าต่อให้เราตามล่าคืนเลยตะตุ้นก็ต่อให้เราได้ละหมาดตาฮัดยุดต่อให้เราได้ละหม า, ตตหาดตาละเวียพร้อมอิมามแต่ถ้าละามาเซจเราไปนินทาคนอื่นเราไปทําร้ายคนอื่นเลยยังไปด่าว่าคนอื่นแปลว่าละหมาดของเราไร้ค่าครับแปลว่าละหมาดของเราไร้ค่า นี่คือประเด็นที่มุสซิมต้องให้ความสำคัญเพราะเราต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่ผู้อเลซจะรับต้องเป็นสิ่งที่มีคุณภาพดีเท่านั้นแล้วสิ่งที่มีคุณภาพดีพิสูจน์จากพฤติกรรมของเราหลังจากที่ทำสิ่งนั้นถ้าการทำสิ่งที่ดีไม่ได้ทำให้เราสูงส่งขึ้นแปลว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ดีเหมือนกับที่ผู้อาลัสซาดีทรงกล่าวในกราดว่าอินัสซาเลตันไฮนุฟชาอัลมุงกัตวัลเบบแท้จริงการละหมาดนั้นห้ามจากความชั่วร้ายและสิ่งที่ลามกหมายความว่าใครก็ตามละหมาดแต่เขาไไม่่่ด้้้ลลลทิิงสงสเเหานนยัย แปลว่าเขาไม่ได้ละหมาดแปลว่าเราไม่ได้รับการละหมาดของเขาเหมือนกับที่ซาบะที่ท่านพลาดท่านละหมาดแล้วมาหานบีท่านเบี๊ย์รู้สมองไงครับเอร์ชียฟัสซัลลีเพด็กกลังตุสซัลีกลับไปซาฟคุณยังไม่ได้ละหมาดผมก็เลยบอกว่าหลายครั้งนะครับพอถึงเดือนอมมดอนสิ่งที่เรามักจะพลาดกันเราไปเน้นในเรื่องของปริมาณเพราะเราคิดว่าเราอยากได้มากกว่า1000เดือนโดยที่เราลืมไปว่าถ้าสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราล้อรับ ตอให้ตรงกับคืนเลยและตุลแล้วก็มันไรค่าสําหรับเราเหมือนกับที่ท่านนบีวัสลิมส์ตามบอกครับพวกท่านอย่าได้แต่ว่าซอบาของฉันนะเพราะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านต่อให้บริจาคทองคําที่มีมูลค่าขนาดเท่ากับภูเขาทั้งลูกผลบุญไม่เท่าที่ซอบาบริจาคแค่ข้อนิ้วมือเดียวเพราะคุณภาพใจเพราะใจมันต่างกันเพราะนั้นการ น, นะขอล็อกก็อยู่กับคุณภาพเพราะฉะนั้นในเดือน r a m a อ a n เองที่พวกเราทราบครับทีออ่หญิงไอแชา่ถามท่านนบีมุ ส, สลิมอย่างที่พวกเราทราบกันดีถ้าฉันรู้ว่าคืนนี้คือคืนเลดตุนก็ฉันควรทําอะไรท่านนบีไม่ได้บอกให้ทําอะไรที่มันยากไม่ได้บอกให้เน้นอะไรที่มันเป็นปริมาณไม่ได้เน้นอะไรที่มันซับซ้อนอะไรท่านนบีพูดสั้นๆว่าไงครับขอด้วยขอด้วยไปสิวอลล์พระองค์เป็นผู้ให้อภัยรักการให้อภัยให้ไปฉันด้วยเพราะนี่คือหัวใจถ้าเกิดว่าพระองค์ให้อภัยปุ๊บทุกอย่างก็จบ ไม่ใช่หมายความว่าไม่ต้องละหมาดตาะเวียไม่ใช่หมายความว่าไม่ต้องอ่านกุรานแต่เป้าหมายที่ผมพูดก็คือว่าเราต้องเริ่มจากการควบคุมใจของเราให้อยู่ก่อนว่ายาลอรมะดอนเข้ามาแล้วเราอยากได้ประโยชน์จริงๆมันไม่ใช่แค่รมะดอนผมก็เรียกว่าสุนีสุรนรทีไม่ใช่แค่รมะดอนสิ่งที่พวรา้รับต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นไม่ใช่ปริแมน เพราะต่อให้คนบางคนเจอคือเลยทุกคนตลอดชีวิตของเขาถ้ามันไร้คุณภาพมันก็คือไร้คุณภาพสําหรับปวร์ถ้าเขายังคงนินแทถ้าเขายังคงใส่ร้ายคนอื่นถ้าเขายังคงเนรคุณพ่อแม่ถ้าเขายังคงเป็นคนที่โกหกถ้าเขายังคงเป็นคนที่หลอกลวงถ้าเขายังเป็นคนที่คนภายนอกเนี่ยไม่สามารถไว้ใจเขาได้ถ้าเขายังเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกถามว่ามันมีประโยชน์อะไรในการที่เขาทําอะไรเยอะๆในช่วงนั้นไม่มีประโยชน์ครับ อินละหะตอญี่ปุ่นหยักบื้องเวลาต่อญี่ปุ่นงั้นการที่ว่าจะดีงามกว่าหนึ่ันเดือนเนี่ยที่ท่า น, นรรอับดุลซซัมขออุดมอาจากอลนละพอรู้ว่าเราอายุน้อยปุ๊บท่านอบีก็เลยว่ายาวละช่วยให้ประชาชาิฉันทําการงานเทียบเท่าประชาชาิอื่นได้ไหมพวกอินละก็เลยให้การงานที่มากกว่าอายุไขของเราหนึ่พันเดือนที่มากกว่าอายุไขเราใช่ไหมครับเพราะเราหกถึงเจปีพวกอินบอกระบุเลยว่าในี่ยคือเนตุนกอตนะถ้าใครทําความดี เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพออัลลอฮ์จะให้ความดีเหมือนกับเขาทําตลอดชีวิตไม่เคยหยุดเว้นเลยเป็นระยะเวลามากกว่าตลอดชีวิตของเขาส่นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วถ้าเราทําดีทุกปีทุกปีทุกปีนั่นคือความดีที่เพิพ่มภาคูนซึ่งเราในคือเรนตุนกัสนะครับในเดือนอรมดอนทุกครั้งอย่าลืมขอบคุณท่านนบีมุสลลอิมด้วยขออัลลอฮ์ให้เมตตาท่านให้สละวัดสละวัดท่านให้มากๆ เพราะว่าวลอรลัมเพราะว่าท่านนบีมุสลิมฮะเลสลัมพวกเราจึงได้ให้คือเลตุลกอตกับประชาชาตินี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านนบีมุสลิมที่มีต่อพวกเราที่ว่ามุสลิมเราต้องสละวัดท่านนบีเป็นประจำเรารักท่านนบีแล้วยิ่งสลาวัด ต, ต่อทนบีเยอะเท่าไหร่เรายิ่งสลาวัดเรามากเท่านั้นครับต่อนสซรุนมากตัวรูฮุฟี่ฮบิสนอปีฮิมินุุเลอัมรินสลามุนฮิฮัตตอร์มัตไลลฟัดในค่ำคืนนี้ครับในค่ำคืนเลตุนกัสเนี่ยมารายการที่ว ใครก็ตามที่ทําอามันในค่ําคืนนี้จะขอด้วยจ่าเราโอ้อล้ปวดให้ความสันติแก่เขาโอ้อล้ปวดให้ความปลอดภัยแก่เขาโอล้ปวดให้สิ่งที่ดีงามแก่เขามารักษากี่ท่านครับเมื่อกี้ที่บอกไปจํานวนมากกว่ากรวดที่อยู่บนโลกนี้ซะอีกคือลงมาจนแน่นเลยแล้วก็จะลงมาในมัสยิดที่มีคนรวมตัวกันทําอามันอิบะดาต่อัลลอฮ์ในสถานที่ที่คนรวมตัวทําอามันอิบะดาต่อัลลอฮ์แล้วจะขอด้วยห้อมล้อมห้อมล้อมห้อมล้อมซึ่ง เนมินที่คอยมามุสซีมอย่างที่เราทราบก็คือหนึ่งในสัญญาณว่าเป็นคืนเรตุนก็คือในตอนเช้าแสงดวนที่จนวนจะไม่แสบตาซึ่งนินวิาชาการบางท่านบอกว่าที่นวลเนี่ยเพราะการที่บมาริกาลงมาเยอะมากเลยแต่และท่านมีนู๊ดไงนู๊ดของเมาริกาแต่แท่านก็คือทําให้แสงสว่างของดวงอาทิตย์นั้นมันไม่ได้รุนแรงอันนี้เป็นการวินิจฉัยของบิดาผู้รู้ไม่ได้มีตัวบทรับรองแต่ก็ร้อลอำว่าร้อลำครับงั้น ซลามุฮีอัตตานมาตไลน์ฟัสจริงๆมีประเด็นอีกมากมายที่ผมอยากจะพูดคุยนะครับแต่ก็ต้องขอมาบด้วยเนื่องจากเวลาเราจํากัดจำเกียร์นั้นขอสรุปสิ่งที่เราได้รับจากสุรอาลกดัตขอสรุปใน5ข้อครับข้อแรกก็คือจากสุรานี้เป็นการยืนยันจากพู้อัลลอฮ์ว่าพู้อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดมาให้กับมุษยชาติเองท่านอบีไม่ได้แต่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนถามว่ากุรานอับดุลเบียร์มักสลัมแต่งเองใช่ไหมเป็นปรชัชญามใใช่่ไ่ไอินนนาอับ เ่อนรัเป็นผู้ประธานมาอันนี้ขะนที่ 1. อันที่2ครับเป็นการระบุให้เราให้ความสำคัญกับช่วงระยะเวลาต่างๆเพราะแต่และช่วงระยะเวลามีความสำคัญในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะยามค่ำคืนอย่าให้มันหมดไปกับการทำสิ่งที่ไร้สาระอย่างเดียวหรือทการนอนหลับอย่างเดียวอันที่3ครับสิ่งที่เราได้รับจากสุรอนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดเพียงแต่ว่าม า, ากท่าน ทั้งหลายเนี่ยท่านลงมาตั้งแต่ค่ําคืนแรกที่กุหลาบประธานมาแล้วก็ทุกปีท่านก็ยังคงลงมาอยู่เพื่อขอพรขอโดยให้กับเราไะนั้นคือเลยต้นก๊อตไม่ได้มีแล้วหายไปเลยยังคงมีอยู่ทุกปีทุกปีทุกปีกปสําหรับบ่าวที่สแสวงหาเขาจะได้รับมันแล้วท่านบิววัสดร์บอกว่าใครก็ตา ม, รรมอมลลอฮผ่านเข้าไปแล้วอัลลอฮฺไม่ได้โยกโทษให้หน้าอัพยศที่สุดแล้วไปนั่นคืออัลลอฮแคะขอแค่ละหมาด นอกเหนือจากถิ่นสลดขอแค่ละหมาดท่านอบีบอกว่าคนคนนั้นคู่ควรได้รับการให้อภัยโทษจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยในบาป ท, ที่ผ่านมาต่อไปครับสิ่งที่เราได้รับครับประเด็นที่5้าครับทําให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วก็จริงแต่ทุกปีก็จะมีการระบุให้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีะปเพราะฉะนั้น แบบที่ท่านนบีมัสะละลัมเรสลัมบอกไว้ว่าท่านถึงสรดจในวันจันทร์และวันพระฤหัสเพราะวันจันทร์กว่วันพระฤหัสการงานจะถูกนําไปเสนอให้กับอัลลอฮฺจะมีการตรวจสอบท่านนบีก็อยากจะให้การงานที่ถูกตรวจสอบลงท้ายด้วยกับการงานที่ดีที่สุดฟืตามูฮูมิสการลงท้ายการจบฉากเราเลือกที่จะเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้แล้วเราเลือกที่จะตายได้ ว่าจะตายในสภาพมุสีมหรือเปล่าซึ่งพระรัก็ได้สั่งในกุรานว่าเวลาตะมูตุ้นในอิลลาวอันตุมุสีมุลอย่าตายเด็ดขาดนอกจากเจ้าจะเป็นผู้ศรัทธาทั้งหมดอยู่ที่เราเลือกครับอัคูรุเกาลีฮาดาวรสักลุลลอฮะลีวะลลัคุมวลิซัยลิมุสลิมีนมินกุลิดมิวรสักฟิรุอินน้ฮวะลกฟูราหฮมซุบฮานักลลมาฮิหัมลิกะอัชาดุลลัยลาอนตะอัซกะบุลไลซ์ะมาริคุบัตุลลอฮ์ว